อย่างสมัยใหม่เนี่ยที่เราเห็นชัดอยู่ใช่ัหมพวกคนโง่คนเคล้าคนเบาปัญญาสติปัญญาอ่ อ, อนปัมป๊มปัเปอรเปอร์เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยในโลกนี้อันนั้นเป็นผลอย่างเบาของการเด่มสุราและเมรัยเพราะการทุศีลทั้งหลายเนี่ยจึงคนที่ทุศีนเนี่ยจึงเป็นคนที่น่า ก, การุณาอมมายังมานึกนะใครที่ทุศีลไวเ้เยอะเข้าไม่สงสารตัวเขาเองหรืออย่างไรนาะเนี่ยนะสร้างแต่ตราบาปสร้างแต่ตรากรรมสร้างแต่เวรให้กแกตัวเอง เัราพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทู่ศีลห้าข้อเนี่ยมันคือการสร้างเวรชัดๆนะสร้างเวรให้แก่ตัวเองสร้างศัตรูให้แก่ตัวเองสร้างอัมิตรให้แก่ตัวเองเสร็จแล้วใครรับละ่ะใครหลังน้ําตาแทนใครได้ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยใครได้จริงๆ น, นะพระพุทธเจ้าจะช่วยอะไรพระเทวทัตตกนรกพรททุทธเจ้าไปช่วยอะไรบ้างเทวทัตเธอจงพ้นรกมาเถิด น, นะพงก็บอกว่านั่นสมควรแก่กรรมที่พระเทวทัตทำเอาไว้แล้ว พระองคก็มีแต่ตรัสเช่นนี้ว่าสมควรแก่กรรมแล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าคือคือคือตัวเอง้ยวัตตะต่อไปใครจะสร้างสิ่งใดนั่นเป็นของเฉพาะตัวเพราะนั้นใครจะทำบาปทำกรรมไปให้แก่ตัวเองเดือดร้อนไปถึงไหนทีนี้การที่เราไม่ศึกษาวิสุทธิเพื่อความพ้นทุกเราก็ชื่อว่าสร้างกรรมให้แก่ตัวเองเหมือนกันก็ก็ถ้าหากว่าเหมือนอย่างว่า ถ้าทางแห่งความพ้นทุกมีอยู่ทางลัดที่จะออกจากวัตฏะมีอยู่แล้วไม่ยอมเดินทางลัดที่จะออกจากวัตะหรือไม่ยอมเดินทางตรงที่จะออกจากวัตะคืออริยมรรคหรือตามวิสุธทธิเจ็ 7, สีและวิสุธทธิจิตวิสุธทธิเป็นต้นถ้าการไม่เดินข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นวิสุธทธิเนี่ยนะเขาก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนเองเหมือนกัน เหมือนอย่างว่ามียาชั้นดียากินแล้วหายโรคกินแค่เจ็ดเม็ดหายโรคเลยเนี่ยนะรักษาโรคได้ตลอดไปเนี่ยยานั้นมีอยู่เขาเห็นแล้วเขาก็ปัดยาทิ้งซะไปป้ายสีว่าไอ้คนปรุงยามันเร็วมากมันฆ่าตะกรนชัดๆแบบนงงั้นยานี้ก็เป็นยามหายาพิษแบบนั้นเสร็จแล้วก็ทิ้งยาแล้วก็ป้ายสีคนปรุงยาแล้วตัวเองก็พอเป็นคนป่วยเดินทางต่อไปถามว่าจะน่าเห็นใจขนาดไหน เขาชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายชื่อว่าเป็นผู้ทําบาปกรรมให้แก่ตัวเองไม่ใช่หรือคนที่เกิดมาในโลกนี้พบทางแห่งความบริสุทธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตั้งแต่ศีลและวิสุทธิความบริสุทธิ์คือศีลจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นกังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์ที่จะข้ามพ้นความสงสัยมคามขะยาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ ที่สามารถแยกออกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วดําเนินปฏิปทาอยู่ในหนทางโดยส่วนเดียวปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิข้อปฏิบัติที่ทําให้เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิการรู้การเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นพระนิพพานเมื่อทางแห่งความบริสุทธิ์เหล่านี้มีอยู่ถ้าไม่เดินโทษผู้ใดเนี่ยนะโทษผู้ใ ด, ดก็ต้องโทษโทษเราแต่เพียงผู้เดียว ถือว่าความผิดเหล่านี้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเพราะการไม่ละสิ่งที่ควรละก็ชื่อว่าเป็นความผิดการไม่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญก็ชื่อว่าเป็นความผิดการไม่กำหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ก็ชื่อว่าเป็นความผิดการที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่บรรลุไม่รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานก็เป็นความผิดอีกชนิดหนึ่งนเนี่ยนะเราจะสร้างความเป็นนักโทษให้แก่ตัวเองไปถึงไหนนักโทษที่ไหนนักโทษใน วัตะนโทษในวัตะเมื่อเกิดมาในวัตะเนี่ยนะจําต้องถูกลงโทษกันทุกคนถูกลงโทษบ้างลงโทษน้อยถูกเคี่ยนบ้างถูกเคี่ยนน้อยเขาบอกว่าคนถูกเคี่ยนเนี่ยนะสมมติถ้าถูกหวดมาครั้งหนึ่งอะไรจะขึ้นมารู้ไหมอะไรนะแนวหรือร่องรอยที่มันพ่องขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะการถูกเคี่ยนถูกตีอ่ะนะ ถ้าถู ก, ถกเคี้ยมเต็มตัวก็ลายเต็มตัวไปหมดใครเคยแพ้ฝุ่นบ้างไหมแพ้อากาศแพ้อาหารแล้วมันเป็นรอยเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วเหมือนถูกเครี้ยนเลยอะ่ะใครไม่เคยบ้างออทำบุญมาดีมากแต่ของมานะเวลากรมอุ ต, ตุเคลื่อนที่เวลาฝนจะตกปั๊บมันจะมีรอยรอยรอยรอยขึ้นมาแบบถูกเคี้ยมอย่างนั้นเลยมันเป็นรอยแบบคล้ายๆเป็นนิ้วมือเป็นอะไรนะ่ะ นั่นเป็นของ ม, มันมันนึกเออเนี่ยนักโทษอย่างเบานะในวัดตะแค่ถูกเคี่ยมใช่เป็นรอยเนี่ยเป็นรอยแล้วมันก็ค้านคันแล้วก็เอ๊หลายคนที่เรารู้จักนะกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ลักษณะกรมอุตุเคลื่อนที่ฝนจะตกอากาศจะแปรเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้จะเป็นก่อนพวกและจะรู้เลยมานั่งเขากันเกาขยุกขยุกขยุกขนั่นแหละใช่เลยกลุ่มนั้นแหละเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งนะเย็นวันสองวันฝนก็ตกละ คนนี้กรมอตุเคลื่อนที่นะก็คือนักนักโทษในวัตะใช่ไหมถูกเคี่ยนอันนี้นี่ปุ๊อย่างเบาแต่ที่มีหนักกว่านั้นอี ก, ก น, นะที่มันเจ็บร้อนทั่วทั้งตัวเดี๋ยวก็ผิวแล้วก็ผุพองข้างในตัวแล้วมันก็เครียกอะไรนะผูมิแผลภูมิแพ้เสร็จแล้วก็ทําให้เปื่อยพร้อมที่จะเปื่อยได้ทุกแห่งทุกหนทุกแห่งในร่างกายอันนัถ้านักโทษมากกว่านั้นก็อะไรประสบอุบัติเหตุ เขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะเป็นประเทศเดียวที่เรียกว่าไม่มีสงครามแต่ตายบาดเจ็บพ่อๆกับสงครามคือประเทศเรานี่แหละที่ดูนะปีใหม่เนี่ยตายไป438เองนะแล้วก็บาดเจ็บแค่สอง0 0ื่นกว่าเนี่ยนะมากกับสงครามมีแต่สงครามนี่มันข่าวดังทั่วโลกนะไม่ถึงบ้านเราที่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้หรอกนะที่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยโหรับกันหนักหนาะสาหัสมากมันนั่นก็คือนักโทษของวัตะนะวตะเนี่ยนะมันวัตตะเนี่ย ก็คือถามว่าถ้าในช่วงปีใหม่เนี่ยนะตายกันขนาดนี้อันนี้ไม่พูดแบบไอ้ตายแบบป่วยตายอะไรธรรมดานะจะเผ่าอุบัติเหตุนั่นก็คือนักโทษประหารนักโทษประหารในสภาพไหนประหารแบบเอาแขนออกไปข้างเดียวเอาแขนออกไปสองข้างแบบทุบหัวบุบถูกเคี่ยนถูกตีแบบโบราณเป๊ะเลยนะแต่เพียงแต่ว่านี้สมัยใหม่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุแต่ว่า ก, ก็คือนักโทษของวัตดตักดีๆนี่แหละ แล้วก็เจ็บป่วยบาดเจ็บหนักหนาอาการสาหาัสปางตายทั้งหลายแหลเนี่ยนะเอาตัวไปครูดถนนเอาหัวไปครูดถนนเอาหัวเอาตัวไปครูดเหล็กเหล็กมากระทบมากระแทกมากระเทือนมีการเข็นมีการฆ่าถูกยิงถูกแทงเป็นต้นนั่นก็คือโทษแห่งวัตตะเนี่ยนะผู้ที่เกิดมาในวัตตะจําต้องรับสิ่งเหล่านี้อันนี้อย่างเบาเลนะ้ศถือว่าชั้นดีนักโทษชั้นดีนะนักโทษดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลย ที่เรียกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะแต่ก็นักโทษที่เลวหนักปว่านั้นอีกนะถูกเขาตัดหัวตัดฟันออกเป็นฉับฉับฉับฉับกี่ชิ้นล่ะดูไก่ฉับดิคะฉับฉับฉับได้กี่ชิ้นนั่นก็คือนักโทษนะนะที่ถูกฟังเนี้ยนี่คือผลของการเกิดในวัตตะปลาเนี่ยเขาหันหั่นันันไปกี่ชิ้นเป็นกี่ริ้วกี่ริ้วกว่าไปนั่นก็คือนักโทษแห่งวัตตะทั้งหลายถูกหอกถูกเหล็กถูกช่มวกถูกแทง ปลาบางตัวก็ที่ที่นี่ก็ถูกเขาเชือดเอามาทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนตัวก็ยังเป็นๆ น, นั่นแหละก็นั่นคือโทษของวัตตะนี่ก็ถือว่านักโทษชั้นดีระดับสองนะถ้านักโทษชั้นเลวเนี่ยนะดูเหอะนรกโน่นนะคือมันมันเจ็บแสบปวดร้อนนั้นใครที่ทําบาปทํากรรมให้แต่ตัวเองเนี่ยเขาคือผู้ที่มีทุกเป็นเบื้องหน้าแบบที่เราสวดเมื่อกี้จริงๆ น, นะเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดด้วยความเชื่อแต่ตอนนี้พูดด้วยความเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ วันถ้าเราไม่คิดจะเดินปฏิปทาเพื่อออกจากวัตฏะเนี่ยนะอุ้ยเราทําไมเราเกิดมาเป็นศัตรูกแก่ตัวเองอะไรขนาดนี้เนอทําไมเราไม่รู้จักสงสารตัวเองเลยว่าตัวเองนี่จะไปหากองทุกข์แล้วจะไปรับมหาภาระแล้วจะไปรับกองทุกข์ถ้าเรามีลูกมีหลานสมมติถ้าลูกหลานเราจะไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วคุกตารางมหาโหดนี่เราจะเสียใจกับเขามากไหมเสียใจนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเองเนี่ยนะหรือมูสัตว์เหมือนกันหมด นะไปสู่ชาติชราและมรณะไปสู่ความเดือดร้อนไปสู่ความทุกข์ความยากไปสู่ความเจ็บความปวดในวัตฏะเนี่ยนะทาไมไม่สงสารกันบ้างเนาะขอมาเชื่อว่าถ้าสงสารจริงกันจริงๆก็ต้องส่งเรียนออกจากเรียนส่งเรียนส่งไปเรียนวิชาที่ออกจากวัตฏะใช่ไหมแต่ว่าวิชาที่ส่งเสริมการออกจากวัตตะเนี่ยไม่ค่อยส่งเสริมกันในยุคลังๆอันนี้นี่พูดไม่ได้พูดให้ให ให้คนมาเรียนร่วมกันตรงนี้มากมนะแต่เล่าให้ฟังมาด้วยเหตุผลทั่วไปว่าเ <c oughs> พราะขอมานะคนมามากคนมาน้อยของมาก็เฉยเฉยตามเดิมนั่นแหละเพราะไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเนี่ย น, นะคือไอ้ตรงเรื่องนี้ยไม่คิดมากไปคิดเรื่องอื่นมากอันนี้ทีนี้ย้อนกลับมาว่าการส่งเสริมการให้ให้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเรียนวิชาเพื่อออกจากวัฏฏะจะไม่ค่อยมีดีใจด้วยนะเมื่อไหร่คุณจะพร้อมศึกษาเพื่อจะออกจากวัตฏะสักทีหนึ่ง ในลักษณะนี้น้อยมากที่ลักษณะเคี่ยวเข็นกันให้ไปศึกษาวิชาที่ออกจากวัตะแต่ถ้าเป็นวิชาทางโลกวิชาสร้างวัตะไม่เรียนนี่ถูกเคลีน้นแกไม่เรียนตัดพ่อตัดลูกเป็นต้นเนีนะว่าเอาจริงเอาจังมากถ้าวิชาให้เฝ้าวัตตะนะแต่วิชาที่ออกจากวัตตะเขาบอกไงรู้ไหมแล้วแต่อัธยาศัยของเขาถ้าเขาไม่สังสมมาเขาก็ไม่เรียนหรอกเราจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะถ้าวิชาธรรมาหากรินถ้าพูดอย่างนั้นบ้างได้ลูกได้มาหาโจรเต็มบ้านไปหมดแล้วมั้ง แต่ว่าก็มีการเคี่ยวการเข็นกันเป็นต้นเพื่อให้ศึกษา น, นะเพราะอะไรเพราะเราเห็นประโยชน์ของการอยู่ในวัตฏะจึงส่งเสริมแบบนั้นอย่างเต็มที่แต่การออกจากวัตฏะดีอย่างไรจึงไม่มีการส่งเสริมกันอย่างเต็มที่นี่ทําให้เห็นเลยว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมีปกติวิ่งไปหากองทุกข์จริงๆเนี่ยนะเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนนาะเนี่ยนะแต่อย่างว่านะเมื่อเขาสเสวยบุญเก่าอยู่เขาก็นึกว่าชีวิตของเขาไม่มีอะไร ชีวิตเขาก็สบายดีเนี่ยนะ <_ an> เขาบอกว่าเขาเป็นอยู่สบายดีทั้งทั้งที่มันไม่สบายานะ ท, ทั้งทั้งที่จะเดินไปสู่ความไม่สบายเดินไปสู่ความป่วยความไข้ความทุกข์ความยากความลาบากความเดือดร้อนเขาก็ว่าเข า, า, เขาสบายดีแต่นั่นคือความที่เขาเนี่ยนะบอกตรงๆก็คือเขาเป็นศัตรูของตัวเขาเองเนี่ยนะเพราะว่ายัางก็ว่าเขาผูกเวรกับตัวเองมาสาธุท้าพระเจ้าได้เกิดไปนะครับพระเจ้าจะ ผูเวรจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเดือดร้อนไดนนะ้จะทรมานตัวเองที่สุดเท่าที่จะทรมานได้จะทําให้ตัวเองอายุสั้นจะทําให้ตัวเองไม่มีทรัพย์มีสินจะทําให้ตัวเองมีศัตรูมากจะทําให้ไปที่ไหนมีแต่คนหลอกคนลวงให้ปั่มปั่มเพอเพสติปัญญากี้หลงกี้ลืมสวดข้างหน้าลืมข้างหลังสวดข้างหลังลืมข้างหน้าท่องบนพุทธพจน์อะไรก็ไม่จําแต่ใค ร, รด่าเราจําได้หมดอย่างนั้นนะไอ้ประเภทอย่างนั้นเนี่ยมันมันมันวิปลาดิปริตแปรปรวนมากนะ ประกาศถึงโอ้ยวัตตนนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังดีใจเออปีใหม่นี้ก็ยังมีการศึกษาวิสุธทธิเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์จากวัตตะเหล่านี้เสทีทีเราเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มามากแล้วเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆนะเราเหน็ดเหนื่อยกับวัตตะนี่มาม า, มากแล้วเหงื่อหยดแล้วหยดเล่าเลือดที่เสียไปหยดแล้วหยดเล่าหน้าจะไม่ใช่หยดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเลือดของเธอที่เธอในอดีตที่เธอเกิดเกิดเป็นโคอย่างเดียวเนี่ยนะ ที่ถูกเชือดเนี่ยเลือดมันหลังออกมาเนี่ยก้อมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรแล้วที่เกิดเป็นกบเกิดเป็นไก่เกิดเป็นหมูเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วหลั่งเลือดทิ้งลงในแผ่นดินเนี่ยนะเลือดเหล่านั้นถ้ากองกองกองกองเอาไว้ก็มากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกําหนัดการศึกษาวิสุทธิเจตเนี่ยเป็นการศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและ คลายกำหนดเป็นการศึกษาเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อปรนินิพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมคืออริยมรรคเนี่ยนะสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมคืออริยมรรคพันธะถ้าหากว่าวิจารณญาณเราจําแนกแยกแยะออกว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์คำสิ่งที่เราทําการกระทําใดบริสุทธิ์การกระทําใดไม่บริสุทธิ์อันนี้ต้องแยกให้เป็น แยกให้เป็นว่าขณะใดาเป็นกายสุจจริตขณะใดาเป็นกายสุจจริตคำพูดใดที่เราพูดนี้เป็นวจีทุจริตนะคำพูดใดนี้เป็นคำพูดที่วจีสุจริตแยกความดีกับความชั่วอันนี้ให้ออกแยกทุจริตกับสุสจริตเหล่านี้ให้ได้ถ้าแยกว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเลวไม่ได้เราก็จะทำแต่สิ่งที่มันเลวถ้าแยกไม่ออกว่านี่คือความดีเราก็จะไม่ทาความดีอะไร เพราะเราเห็นว่าความชั่วเป็นของดีเห็นความดีเป็นของเลวเราก็จะไม่ละชั่วแล้วก็ประพฤติเราจะไม่ละกายทุจริตไปบำเพ็ญกายยะสุจริตไม่ละวจีสุทุจริตเพื่อเจริญวจีสุจริตเพราะอะไรเพราะวิจารณญาณเราวิบัตินะความเห็นเราวิบัติคลาดเคลื่อนเมื่อความเห็นเราวิบัติคลาดเคลื่อนเนี่ยนะเราก็ไปทาบาปทีนี้ทาบาปก็อย่างที่กล่าวไปว่า เหตุแห่งการเสียเนื้อเสียเลือดเสียน้ําตานนะเสียสุขติพบหมดโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์นนะหมดโอกาสที่จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหมดโอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันพระสะกท า, าคามีหมดโอกาสที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อเฝ้ากองทุกเนี่ยนะนะเพื่อเฝ้ากองทุกขจริงๆทางคือมักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเป็นทางสะดวก เป็นทางตรงเป็นทางโล่งเป็นทางดีแปดเลนเลยนะยิ่งกว่าซูเปอร์ไฮเบกแปดเลนวิ่งได้ทางตรงแต่ว่าตอนนี้มันวิ่งไม่ค่อยดีหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไปตัดเอาทางผิดเนี่ยแล้วเอาต้นไม้ใบหญ้าเอาต้นน้ําต้นอะไรมาปิดทางตรงเอาไว้หมดแล้วก็พยายามจะถางทางที่ไม่ตรงเนี่ยนะถางทางที่ไม่ตรงเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ไอ้พวกเศษอะไรที่เกิดจากทางไม่ตรงมาปิด ทางตรงก็เลยเดินไปในทางโคตรเราทั้งหลายก็พยายามทำชั่วแล้วก็ปิดความดีทางกายใช่พูดคำพูดที่มันเดือดร้อนทางวาจาแล้วก็พยายามปิดคำพูดที่ที่ดีก็เลยสร้างบาปสร้างอากุศลให้แก่ตัวเองอยู่ร่ำไปผันใครที่ปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิท7พยายามภาพเพียรที่จะเจริญกายให้เป็นสุจริตพูดคาพูดให้เป็นว จ, จีสุจริตสุจริตเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุแห่งความ พ้นทุกข์ของเขาเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยนะทำยังไงจะได้พ้นทุกข์จะได้บริสุทธิ์เนี่ยนะจะได้ถึงนึกถึงสิ่งที่เราทำก็ไม่เดือดร้อนใจนึกถึงคำที่เราพูดไปเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนใจเรามาเคยสังเกตหลายครั้งถ้าเราไม่สบายใจนะทวนได้เลยมาจากสิ่งที่เราทาคำที่เราพูดทั้งนั้นเลยความไม่สบายใจคนอื่นเขาว่าเรานะเราไม่มีอะไรที่เราต้องไม่สบายใจเพราะจะว่าก็ว่ากันไป ก็คนอื่นเขาชอบเขาก็ชมอยู่วันยังค่ํานั่นแหละเขาชังเขาก็แช่งมันยังค่ําแล้วก็เราก็เข้าใจอย่างงี้มารับมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเกิดมาเนี่ยถูกด่ามากที่สุดเนยนะพอมาเนี่ยเป็นเป็ น, ปนผลของกรรมเก่าเนี่ยนะก็ไม่ต้องใครด่ามากก็แม่เรานั่นแหละเริ่มด่ามากเพราะเราไม่ค่อยจะอยู่บ้านอยู่ช่องเราก็เลยโดนทุกวันอันนี้ก็เรื่องปกติมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอแล้วแต่เราอยู่ๆแล้วเราไม่สบายใจนี่มันเกิดจากอะไร เกิดจากคําที่เราไปพูดบางทีเราไปพูดว่าคนอื่นมางอ่ะใครเดือดร้อนเราว่าให้คนอื่นเดือดร้อนไอเราสักเดือดร้อนกับคนอื่นะอีกเนี่ยนะเราพูดให้เขาไม่สบายใจเราไม่สบายใจหนักกับคนอื่นซะอีกเพราะฉะนั้นความสุจริตทุจริตมันอยู่ที่เราจริงๆเลยนะความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวเราจะสบายใจหรือจะไม่สบายใจก็เป็นของเฉพาะตัวเราจะสร้างความไม่สบายใจให้แกตัวเองไปถึงไหน พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนอริยศาสตร์แต่สอนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้มีทุกข์มันถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองเนี่ยเราก็ชื่อว่าเป็นคนที่สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองชื่อว่าเป็นผู้ทําลายคําสอนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันโดยที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้มีทุกข์อะไรนั้นสรุปอยากจะสรุปว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดสําคัญนักแล เราได้ตั้งอัธยาศัยไว้อย่างไรในการจัดแจงชีวิตของเราในสิ่งที่เราทํากับคําที่เราพูดเราควรทําอะไรการทําอย่างไรจึงจะเป็นความบริสุทธิ์สิ่งที่เหลือชีวิตที่เหลือเนี่ยนะมีปากฟันก็ยังพอมีเนี่ยพูดยังพอชัดเจนอยู่ลิ้นก็ยังกระดกตวัดไปมาได้ เ, เราจะพูดอะไรสิ่งที่จะหลุดออกมาเสียงที่เปล่งดังๆออกมาเนี่ยควรจะเป็นคําพูดชนิดใด อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอันนี้ต้องเลือกคัดสรรให้ชัดเจนเลยนะแล้วที่เหลือแล้วก็กายวาจารวมทั้งอาชีพด้วยในตัวเสร็จแล้วทางความคิดแหละความคิดสรุปความคิดเราจะคิดอะไรนะเราจะคิดอะไรตั้งกันนี้ต่อไปเราจะขอคิดถึงพระัตนตรัยเป็นต้นอันนี้ก็น่าหน้าห น, น้าสมาทานมากเพื่อจะได้เจริญจิตวิสุทธิให้เป็นเนกขมมะวิตตก ฉันจะขอคิดถึงพระพุทธเจ้าขอคิดถึงพระธรรมขอคิดถึงพระสงฆ์ขอคิดถึงศีลที่เคยให้ที่เคยรักษาทานที่เคยได้ให้เป็นต้นเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราต้องสมาทานประพฤติเนกขมมะวิตกเหล่านี้เราจะเห็นใครพูดกับผู้ใดคิดถึงอะไรอยู่ก็ตามขอให้เป็นไปกับอนุสติเหล่านี้ให้เป็นไปกับพระพุทธเจ้าพูดกับใครก็ให้ได้พูดถึงเรื่องของ พระพุทธเจ้าพูดเรื่องของพระธรรมพูดเรื่องของพระสงฆ์พูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของจาระเรื่องของมรณะเรื่องของกายคตาสติเป็นต้นอันนี้เป็นเนคขมะวิตกที่เราจะต้องอันนั้นเนคขมะวิตกเนี่ยวิตกวิจาร์เป็นเหตุใกล้ของวจีสังขารถ้าตึกสิ่งนี้จริงคุณต้องพูดสิ่งนี้เชื่อใครคิดถึงพระพุทธเจ้า บ, บ่อยนะคนนั้นจะพูดถึงพระพุทธเจ้าใครที่คิดถึงพระธรรมบ่อยจะพูดถึงพระธรรมใครที่คิดถึงพระสงฆ์บ่อยจะคิดพูดถึงพระสงฆ์ถ้าใคร ในใจเนี่ยมากไปด้วยพยาบาทบ่อยเดี๋ยวก็ทะลักออกมาทางวาจาเพราะฉะนั้นใครที่วิตกสัมมาวิตกได้ดีเนี่ยนะใครที่ทำสัมมาวิตกให้ชำนานด้วยการคิดถึงพระธรรตรายจนชำนาญจริงๆก็บุญกุศลก็จะเกิดมากเนี่ยนะบุญกุศลก็จะเกิดมากอันนั้นเป็นมโนสุดจริตอย่างหนึ่งนะเป็นจิตวิสุท ธ, ธิด้วยแล้วก็สมาทานที่จะประพฤติเมตตาคิดให้คนอื่นมี ความสุขเนี่ยนะคิดให้ตัวเองมีความสุขคิดให้ผู้อื่นมีความสุขเชื่อไหมเราเดือดร้อนใจหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากเราไม่เจริญเมตตาให้แก่ตัวเองไม่พยายามคิดให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยนะ than. ให้ข้าพเจ้ามีความสุขถ้าเราไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะสิ่งที่คิดควรจะเป็นคําแรกเลยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างไข้าพเจ้าจะสร้างความทุกข์ในสิ่งนั้นให้แก่ตัวข้าพเจ้าไปถึงไหนเพราะเรื่องบางเรื่องเรานึกปั๊เราไม่สบายใจขึ้นมาเลยทันที เพราะฉะนั้นควรเจริญเมตตาให้เป็นเจ้าแรกเลยคือข้าพเจ้านั่นแหละขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีขอให้ข้พาขขพเจ้าพ้นจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ารักษาจิตให้เป็นสุขตลอดไปเนี่ยนะก็คิดอย่างนี้เจริญเมตาก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องนั้นมาคิดถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดแจงจริงๆอนะอันนี้เป็นจิตตวิสุธทธิ์นะต้องฝึกเจริญแรกๆมันไม่เอาหรอกเพราะมันมีความสุขกับการเบียดเบียนตัวเองเอนนะ ก็จริงนะเราชอบคิดเรื่องอะไรที่คิดแล้วไม่สบายใจนั่นแหละบางทีคิดจนนอนไม่หลับเนี่ยนะหาเรื่องไปเดือดร้อนหาเรื่องยเคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นบรรลุไปนานแล้วมั้งแต่ไม่ใช่คิดแต่เรื่องอื่นเนี่ยนะพันเราก็เลยเป็นกลุ่มหาแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเอ้นี่ถ้าหากปีนี้ฝนมันแรงเราจะเอาน้ําที่ไหนมาดื่มนอะอย่างเงี้ยบางคนมันคิดไกลมากเลยนะะคิดอะไรไม่รู้คิดแต่สรุปว่าคิดแล้วตัวเองเดือดร้อน นะพันเราก็เวลาได้รับความไม่สบายใจหรือเรื่องใดที่จะสร้างความไม่สบายใจให้แก่เราเนิกอย่างนี้ก่อนเป็นลําดับแรกเลยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ขอขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้เป็นสุขตลอดไปนะแล้วก็ค่อยเจริญให้คนอื่นบ้าง น, นะแต่ถ้าไม่เจริญให้ตัวเองก่อนยากนะตัวก็ไม่มไม่ไ ม, ไม่มีเมตตาต่อตัวเองแล้วคิดหรือว่าจะมีเมตตาต่อผู้อื่นบางทีเนี่ยนะ ตำหนิผู้อื่นในานามมิตรภาพได้ไหมเข่นฆ่าผู้อื่นเพื่อสันติภาพนะสมัยนี้คือสมัยฆ่าผู้อื่นเพื่อสันติภาพเพราะฉะนั้นโลกนี้มันจะสันติภาพได้ต่อเมื่อพวกแกตายหมดอันนี้คือคือสมัยใหม่เขาทํากันแบบนี้พวกแกเร็วมากเพราะันถ้าโลกนี้จะร่มเย็นแกต้องตายพวกแกสมควรตายมากโลกจะได้สงบร่มเย็นที่มาของสงครามสงครามในนามสันติภาพเนี่ยนะ ทำสงครามเพื่อสันติภาพเออนั่นแหละเราก็เหมือนกันเราด่าคนอื่นในนามเมตตานี่ย น, นะเรามีเมตตาต่ผมมีเมตตาต่อคุณนะผมจึงว่าคุณ น, น, นะที่ฉันตะทุสร้ายคุณเพราะฉันหวังดีต่อคุณแต่ฉันขาดเมตตาต่อตัวเองมันก็พอกันนั่นแหละสรุปพราะเราต้องเจริญเมตตาให้แกตัวเองเรื่องไหนที่ไม่สบายใจคีดําแรกก่อนหรือจะพูดคําแรกก็ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนี่น ขอให้พระเจ้าพ้นจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้เป็นสุขตลอดไปนะให้สุขไหนสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าแล้วก็โดยเฉพาะได้สุขในพระนิพพานอันเป็นของสุขชั้นสูงเธออนะใครเจริญแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆช่วยยกมือขึ้นหน่อยคุณจำลองว่างไงเมื่อกี้อ่คุณจำลองได้คิดไหมขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ไม่ใช่นั่งหลับนงะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยฟังแบบเคลิมเลยนะนั้นก็ต้องหมั่นคิดนะขอให้ข้าพาเจ้ามีความสุขเนี่ยนะต้องเอามาคิดบ่อยๆฝึกคิดเพราะว่าสมัยนี้นะว่ารวมๆแล้วนะคนยุคโทสะเจริตไม่ใช่ยุคราคะจริตเป็นสมัยที่มากไปด้วยโทสะเห็นไหมมากไปด้วยโทสะนั้นเมื่อมากไปด้วยโทสะในสิ่งที่เราควรจะเจริญโดยมากเลยคือเมตตาเนี่ยนะเมตตา ที่เราไม่พูดเราไม่อะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่โกรธนะเราก็โกรธเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่พูดเราก็เก็บเก็บไปงั้นแหละเพราะฉั้นเราต้องฝึกเจริญเมตตาให้ตัวเองนั้นมีความสบายใจอย่าไปคิดสิ่งใดที่มันคือทึกจะคิดก็คิดไปแต่ว่าตอนต้นเลยก็บอกตัวเองก่อนนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขแล้วก็เราจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยบอกว่าแน่ใจนะว่าสิ่งที่กําลังคิดอยู่เนี่ยเหตุแห่งสุขในโลกนี้เหตุแห่งสุขในโลกหนะ้าแล้วก็เหตุแห่งสุขในโลก หรือโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากพระนิพพานใปล้ไหมสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยบอกตัวเองนะบอกใจตัวเองนะั่นแหละสิที่คิดอยู่นี่นะสมมติถ้าเราคิดว่าร้ายผู้อื่นสักคนหนึ่งเหตุแห่งความสุขชาตินี้ของเราใช่ไหมเหตุแห่งความสุขชาติหน้าของเราใช่ไหมเหตุแห่งความใกล้พระนิพพานขึ้นไปขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มาถามตัวเองนะต้องย้าตัวเองบ่อยๆเพื่อให้มีกรรมสกตาเพราะปัญญาตัวนี้เป็นเหตุให้ละความโกรธได้ ถ้ามีปัญญาพอยังไงก็ไม่ยอมโกรธเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าความโกรธเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายยังศีลกุศลให้พินาฏยังสมถากุศลให้พินาฏยังวิปัสสนากุศลให้พินาฏถ้าโกรธมากๆถ้าโกรธพระพุทธเจ้าเป็นยังไงถามว่าสมัยพุทธกาลมีคนด่าพระพุทธเจ้าไหมมีมีคนโกรธพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนจ้างให้คนอื่นไปด่าพระพุทธเจ้ามี แล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่บวชติดตามพระพุทธเจ้าอยู่หลายปีแล้วก็โกรธพระพุทธเจ้ามากโกรธว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนหูทิพย์ให้ไม่สอนข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดหูทิพย์พระพุทธเจ้าสอนให้แต่ไปเป็ น, ปนมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยออบอกปิดคุณธรรมเพราะไม่อยากเพราะว่าถ้าสอนเราหมดนะเดี๋ยวจะจะเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์ภิกษุรูปนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์ เป็นต้นเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบสุนัขขตะลิชวีบุตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นกรรษัตริย์เขาก็เป็นกรรษัตริย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนเดี๋ยวกลัวว่าตัวเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามก็เลยไม่เปิดเผยวิชาทั้งหมดก็เลยตอนหลังแกก็ผูกเวรกับพระพุทธเจ้ามากนะโกรธพระพุทธเจ้าหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าอะไรก็ตามที่เป็นเหตุใกล้ต่อความเสื่อมในพระพุทธศาสนาสุนัขขตะลิชชวีบุตรจะทํา สุนัขข่าลิชวีบุตรกระทำการไปเที่ยวโพลทนาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณวิเศษอะไรหรอกไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ยกะเอาเดาเอาแค่คาดคะเนเอาทั้งนั้นแหละเออแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะใครปฏิบัติตามแล้วบรรลุจริงคือเขานี่โจมตีพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเที่ยวว่ารนะ้ายฮะหาอะไรก็ได้เพื่อจะจับผิดพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงเขาพยายามทํา แล้วก็ในที่สุดก็ว่าร้ายพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าไม่ถอนทิฏฐิไม่ละวาจาเหล่านั้นนะไม่สละคืนทิฏฐิเหล่านั้นเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเหมือนใครที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เที่ยงแท้ที่จะบรรลุอรหัตตผลสุนัขตาฤชชวีก็ในยะเดียวกันถ้าไม่ละวาจาอันนั้นก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกเป็นต้นฉะนั้นความคิดนี้สําคัญมากเราต้องมาฝึกให้ให้เป็นเมตตาจะได้ไม่ เบียดเบียนตนจะได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะได้ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้จะได้ไม่ทําลายตนต่อไปมันคิดบ่อยๆนะซึ่งเราสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเราคิดจะเจริญหรือไม่อันนั้นเป็นจิตตวิสุทธิ์ที่นะถ้าเราบริสุทธิ์จะรักษาใจให้บริสุทธิ์จากความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดความ เ, เดือดร้อนความรําคาญความหมั่นไส้ผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าเราทําจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นก็เป็นจิตตวิสุทธิ์ที่อย่างหนึง่ง เพราะฉะนั้นจิตของเราถ้าคุณคล่องมองใจและจิตเราบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์ถ้าเราคิดถึงญาติแล้วคุณคล่องมองใจในญาติจิตตอนนั้นเราเป็นจิตวิสุทธิไหมไม่เป็นเห็นไหมเรื่องอะไรก็ตามที่เราคิดแล้วใจของเราคุณคล่องมองใจไม่สบายใจเนี่ยนะตอนนั้นเราก็ไม่จิตของเราก็ไม่เป็นจิตวิสุทธิ์ไม่พอที่จะพิจารณาขันอาญาตนะธาตุอะไรเลยะนะ สมมุติเราขุ้นข้องมองใจในผู้ใดในบุคคลใดในสัตว์ใดสังขารใดเนี่ยนะถ้าเราไม่พอใจสิ่งนั้นปั๊บนั่นสังขารธรรมชนิดนั่นคือสังขารธรรมนั่นคือนามรูปนั่นคือที่ตั้งแห่งเวทนาสามสิ่งนั้นดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่สิ่งนั้นคืออุปาทานขันห้าสิ่งนั้นคืออจตนะภายในหสิ่งนั้นคือวิญญาณทิตฐิเจ็ดที่เป็นไปกับวิญญาณทิฏฐิเจดสิ่งนั้นรับโลกธรรมแปดอยู่สิ่งนั้นอยู่ในสัตวะท้าวเก้า สิ่งเหล่านั้นคืออายตนะสิบอายตนะสิบสองสิ่งนั้นคือท่าสิบแปดรวมการเป็นผมผลเล็บแยกเป็นภูตรูปอุปาทายรูปเป็นที่ตั้งแห่งจิตในจักขุทวารจิตในโสตทวานเป็นต้นที่จะมาวิจัยจำแนกแยกแยะอย่างนี้เอาไหมถ้ากำลังโกรธอยู่โอ้ยทิ้งเครื่องนี้ไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะลืมพระพุทธเจ้าตั้งนานแล้วเหลือแต่โทรศัพท์ เชื <LEY> là, the, the i, ่อไหมตอนนั้นเนี you know, ่ยโทสะบริสุทธิ์ล้วนๆโดยที่ปราศจากศรัทธาปราศจากสติปราศจากวิริยะปราศจากสมาธิปราศจากปัญญาปราศจากศีลสมาธิปัญญาหรือแต่โทสะที่มีโมหะเป็นเหิตุปัจจัยนะก็รู้นะน่าสงสารนะบางทีน่าเราคิดคิดไปคิดมานะเอาคําสอนมาวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมไปอู้ทำไมเรามันน่าสงสารขนาดนี้นะแล้วก็เมื่อไหร่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้สักทีหนึ่งอะนะ ปทุสาร้ายตัวเองอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าแช่งตัวเองมาแต่ปางไหนนีถ้าเราทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเอ า, เ อ, า, เ อ, าเอารมณ์ทุกอารมณ์เอาธรรมะทุกอย่างมาพิจารณาโดยความเป็นขันาธาตุอายตนะเนี่ยนะทุกอย่างที่เราคิดถึงนั้นนะคือความประชุมการแห่งขันาธาตุอายตนะความคิดของเราที่คิดขึ้นได้ก็เป็นการประชุมแห่งขันาธาต์แล อายตนะสิ่งที่เราคิดถึงก็คือขันธาตุและอายตนะขันธ์มีอะไรบ้างอายตนะมีอะไรบ้างธาตุมีอะไรบ้างก็สามารถจําแนกแจกแ ก, แกงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เราคิดถึงคิดไม่พ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรอกสิ่งที่เราพูดถึงก็ไม่พ้นอายตนะสิบสองไม่พ้นธาตุสิบแปดรอกสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวภายในเราก็คือ ขันห้าอายตนะสิบสธาตุสิที่ประชมกันแม้กระทั่งคี่ถึงใครก็ตามเถอะก็คือการประชมแห่งขันธาตุและอายตนะคิดถึงเรื่องราวในอดีต ท, ทั้งหมดก็คือการประชมแห่งขันธาตุอายตนะคิดหวังพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีหน้าหรือหลายๆปีหรือแม้กระทั่งชาติหน้าก็คือขันธาตุและอายตนะอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดก็ขันธาตุอายตนะที่ประชมกันที่ใดเมื่อใดกะใครอย่างไร ก็คือความประชมการแห่งขันธาตุและอายตนะจะบัญญัติเหตุผลมีได้มีเสียมีศัตรูมีคู่เวรมีผู้ได้มีผู้เสียมีอะไรก็ช่างเถอะสิ่งนั้นนั้นก็คือการประชมพร้อมการแห่งขันธาตุและอายตนะนั้นคือค่าที่เป็นจริงนั่นคือค่าที่เป็นจริงค่าที่เป็นจริงในความเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดแห่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดแห่ง บาปประทมทั้งหลายวันสิ่งเหล่านั้นอย่างเราทั้งหลายผู้อยู่ในภูมิที่มีขันท่าสิ่งที่เราคิดถึงนะโดยมากไม่พ้นมหาพูดเลยคิดคิดถึงก็คิดถึงแต่มหาพูดสี่ปรารถนาจะพบกับมหาพูดสี่พูดถึงมหาพูดทีคิดถึงมหาพูดสี่ทำเพื่อเพื่อมหาพูดทั้งสี่เออถ้าถ้าบอกคิดแบบพระพุทธเจ้าบอกมหาพูดคือสระพิษสีเนี่ยนะบอกคิดถึงในอดีตก็คิดถึงงู อนาคตต่อไปปรารถนางูพูดถึงงูคิดถึงงูนะเลี้ยงแต่งูรับใช้งูที่ไม่ปราศจากความซื่อสัตย์โดยประการตั้งปวงนะนั้นมูสัตว์เนี่ยลุ่มหลงขนาดนั้นนะจริงๆลุ่มหลงแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเบื้องหลังก็คืออสรพิษสีสิ่งที่เราหวังก็คือหวังอสรพิษสี่ก็คือมหาพูดปัหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่ง เวทนาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งสังขารและก็เป็นที่รวบรวมการแห่งวิญญาณวิญญาณก็ประชมโดยทวารบ้างโดยวัตถุบ้างโดยอารมณ์บ้างโดยปัจจัยอย่างอื่นๆ่นบ้างแม้อดีตแม้อนาคตทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แลทีนี้ในส่วนของรูปนี้ประชมกันของอะไรบ้างรูปรูปเป็นที่ประชมของภูตรูปคือปฐวีอาโปเตโชและวาโยภูตรูปเกิดจากกรรมจิตอุตุและ อาหารเวทนาก็เกิดจากผัสสะสัญญาสังขารวิญญาณ เ, เวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนั่นคือความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะแล้วรูปเหล่านี้ที่มีกรรมเป็นปัจจัยอวิชชาตันหากรรมสร้างขึ้นอาศัยอาหารประชมปรุงแต่งให้รูปเจริญเติบโตขึ้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นนามธรรมอวิชชาตันหา กรรมเป็นตัวสร้างขึ้นภัรษานามรูปเป็นปัจจัยให้ขันให้นามรูปเหล่านี้เป็นไปนามรูปเหล่านี้เป็นไปตั้งแต่ออกคลอดออกมาก็ไหลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือความเป็นไปของนามรูปนั่นเองเลยมีแต่นามมีแต่รูปไหลสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ก็คื อ, อนามรูปที่ไหลมาจนถึงสืบเนื่องแม้กระทั่งไปถึงวันตายก็คื อ, อนามรูปที่ไหลไป ตั้งกระเกิดมาก็คือการย่างลงแห่งขั น, ขนทั้งห้า